ขอกรบาบคารวะปราดัธนไตรพระพุทธพระตามพระสมขอแสดงความเคารพต่อคือบาอาจารย์พ่อทขก็พื่นสัตว์นิรป่าทุกรูปขอเจริญพรเมนชีและประยัดโยมเพื่อที่ตั้งออตั้งใจบำเพ็ญธรรมทุกท่าน ครับตามสบายนะครับออก็อยู่อย่างมีความสุขในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี่เป็นสำกันไม่ว่าแต่งอดีตเป็นยังไงก็ตามเราก็อยู่อย่างเป็นสุขในปัจจุบันนี้ได้มีสติ ก็ช่วยเหลือสนับสนุนให้เราเป็นจิตเป็นปกติจิตเป็นกัดแสสุขได้ขณาโค้กก็ยังไม่มาก็เราก็ไม่ต้มคิดกำบนใจ ให้ทำดีในปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดนี่ก็เป็นถูกมเมล็ดผมต่อไปจะได้สร้างได้โตขึ้นตอไม้ก็เป็นอย่างนั้น ให้ทำดีที่สุดในปัจจุบันนี้ในที่นี้ก็ทำไมก็รู้สึกว่าก็อจอดีคนหนึ่งได้มีโอกาสมาถึงเมืองไทยได้พบปะ กับคุาอาจารย์ที่น่าเคารพศรัทธาเริ่มใสอยานยิ่งคือลวงพกอคำเขียนแล้วก็อาจารย์ไทยสามเป็นผู้เป็นเจ้าว่าวัดปาสุกโตตอนนี้ก็อยู่ที่ปุรมแล้วก็พระคุณเจ้าเป็นเพื่อนสาธมิตรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สร้างบรรยากาศสนับสนุนให้มีความอบอุ่นใจแล้วก็สะดวกสบายก็สร้างบรรยากาศที่ดีเป็นสปายะถ้าเราก็ถ้าไม่ได้พบ ไม่ได้เจอความดีก็อาจจะล้มหล้นทางก็สร้างความทุกข์ไปเรื่อยๆสารพัดอย่ยางแห่งกิเลตังหาก็ปล่อยไปให้ ทำการไปแต่ว่าก็ได้พบสินที่เป็นเลิศก่อนชีวิตรัตามาก็รับรองว่าเป็นพุทธศาสนานี่ก็เป็นมีคุณค่ามากาที่สุดยันยิน แล้วก็ตามาก็เมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นผู้ที่โชคดีก็คือว่าที่เมือนไทยนี่ยก็ยังพุทธศาสนายังมีชีวิตชีวาอยู่หมายความว่าก็พระรินทบาแล้วก็มีชาวบ้านก็สัตว์ตาเริ่มไส ใส่บาท ท, ทุกวันทุกวันตามผู้ใหญ่ท่านเด็กๆก็ก็สนับสนุนกันซึ่งกันและกันที่พระพทระ ท, ปปที่ประเทศญี่ปุ่นที่ประเทศที่อัตมาเกิด <c oughs> ก็ คนที่นับถือพุทธศาสนาก็จำเนงมากสมควรพุทธศาสนานอกจากพุทธศาสนาก็ยังมีสิงโตเป็นศาสนาสินโตเป็นศาสนาเก่าๆก็มีอยู่แต่ว่านี่เป็นคนละยางกัน ศาสนาซินโตก็ถือว่าเป็นพระเจ้าอยู่ในต้นไม้อยู่ในภูเขาอยู่ในที่นี่ที่นั่นแปดร้อยตัวได้ว่าพุทศาสนาก็มาจากเกิดจากพุตร พระพุทธเจ้าที่อินเดียแต่สายเทรว่านี้ก็ไปถึงจากอินเดียไปศรีลังกาปา마ไทยลาวคำพูชาแต่ว่าสายมหายาณที่ประเทศญี่ปุ่นได้นับถือก็ ไปมนจีเกาหลีญี่ปุ่นทางสายเหนือแระเทอละว่านี่สายใต้มันก็เป็นเปลี่ยนแปลงกันแต่ต่างกันบ้านอยู่สายมหาอย่างก็ดีนะก็จริงจริงแล้วมี ใจจะช่วยเหลือผู้อื่นคำว่าเป็นปติสัตทาสายเจรวานี้ก็เป็นก่อนที่จะเป็นทสรูเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นปติสัตถ์แต่ว่าสายมหายังเข้าใจว่าปติสัต์นี้ก็เป็นผู้ที่ช่วยเหลือก่อนที่จะ เราตัสรุหมายความว่ า, วามีค่าให้คนที่ช่วยเหรือพืชช่วยหรือสังกมมากกว่าตัสรุโดยตรงเองเป็นพระอรหันต์เป็นตัวก็ นี่ก็เป็นความเข้าใจอย่างหนึ่งแสนสายมหายานแต่อัตมาก็รู้สึกว่าประบับใจนะ <c oughs> ตอนที่อยู่ญี่ปุ่นก็อรตมาก็สนใจกอนที่จะบวชนี่ก็สนใจเรื่องการพัฒนา นำพัฒนาเพื่อให้คนที่เป็นยากจนคนที่เป็นทุกข์เพราะมีสินอะไรต่างๆขาให้ช่วยเหลืออัตมาก็ทำงานในองค์กรพัฒนากาะจอนแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นก็คิดว่าความเช่วย ช่วยเหลือเพื่อนช่วยสังคมนี่ก็เป็นสังกรมมาที่สุดตมาก็เคยเรียนอยู่พุทธศาสนาว่าสอนด้วยสองว่าให้จิตใจของตัวเองเป็นความสุขให้สังคมมีสันติภาพ ก็มีกำลังมีทุสตีอยู่ในพุทธศาสนาแต่ว่าตอนที่อาตมาเห็นสมัยอาตมาเป็นนักศึกษาตอนอยู่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้เจอผสนที่ญี่ปุ่นเชื่อเท่าังกมเท่าไหร่ ทำแต่วิธีการเพื่อให้อ่คอนตายแล้วก็รักษาสู้สากคอนตายแต่ว่าไม่อยได้แห่งว่าจะช่วยเหลือคนที่ทุกข์คนที่ลาบากในชีวิต แล้วก็พานังก็ไม่เคยได้สอนธรรมะเท่าไหร่อาตมาบ้านอาตมาเองก็ก็นับถือพุทธเหมือนกันแต่ว่ามีโอกาสไปวัดน้อยมากตอนที่คุณยายตายก็ไปวัด ฝันการ ส, าสวดมนต์บ้านของพระแต่ว่าไม่ได้ไปประจำนอกจากงั้นก็ตอนที่เป็นโอกาสไปไหว้บูชาตัวบรัรมปะบุปที่สุสาร ไม่ได้พบกับพระไม่ได้ฟันธ ร, รมไปแต่ไปส่สไหวายบูชาอันนี้ก็ปีรักครั้งสองครั้งแต่ว่าเจ้าดีแม่ของอาตมาเองก็เออก็นับถือพุทธก็ไปที่สำนัก ไม่ใช่เตยงวัดนะแต่งคนเป็นคารวาเป็นผู้นำสมศาสนาให้ใช้ได้ประโยชน์ต่อชีวิตก็แม่ก็ศรัทธาแล้วก็แก้ไขปัญหาด้วยคำสอนของพุทธศาสนาด้วย ละตมาเองก็ก็แปลกใจว่าที่ญี่ปุ่นนี่วัดก็มีหลายแห่งพระก็มีหลายรูปแต่ว่าก็ไม่ก็ได้ทำหน้าที่ดีเท่ากับสำนักพุทธศาสนาของคารวาส ที่ญี่ปุ่นอาจจะเป็นทำนาก็พาทําทำนาที่เพื่อคนตายก็เลยแต่ก่อนนี้ก็ก็ไมกไม็ได้ถึงสนใจเท่าไหร่แต่ว่าโอกาสที่ดีต่อมาก็มาถึงเมืองไทยเพื่อตอนแรกแรกก็มาเป็นตำกา ร, รวิจัย แล้วก็ทำการขององค์กรมพัฒนาก็เข้าหมู่บ้านป่าเหนือป่ากีสารแล้วก็สัมภาษณ์ชาวบ้านบ้านแล้วก็ทำการวิจัยที่คุณเทศ ที่มหาวิทยาลัยก็พอดีตามาก็ได้เก้าเรียนวิจัยที่นั่นก็อาจารย์ก็แนะนำว่าถ้าที่มืองไทยนี้ก็มีผสมที่เป็นนักพัฒนาช่วยเหลือ ชาวบ้านช่วยมู่บ้านโดยใช้หลักธรรมคำสองของพระพุทธเจ้าด้วยอาตมาก็ประทับใจเพราะว่าตอนที่อยู่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้แหมพระช่วยเหลือคนที่มีชีวิตอยู่แค่ทำพ่ทีต่ตคนตาย แต่ว่าที่มุนทายว่ามีพระก็ช่วยเหลือชาวบ้านด้วยก็เลยอตสาหะไปหาอาพระเจ้าที่เป็นนักปัตนาด้วยโดยอาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นก็แนะนำ ก็ไปหาหลวงพ่อนานที่สุรินหลวงพ่อเอ่อหลายตั้ง่อเจริญหลวงพ่อสมเจตอะไรเนี่ยก็ประดับใจเผ <c oughs> <c oughs> าก็พาเขาช่วยเหลือคนที่เป็นลำบาก่อ สนใจมากที่สุดก็เอาลัทธรรมใช้เพื่อช่วยเหลือก็เลยมันตาเปรียบเทียบวลักองค์พัตยไงกัะจนที่อตมาเคยทำงานอยู่ก็แตกตามบ้านเพราะว่าจุดนุ่นไม้มันคนละอย่างกันจุดนุ่นไม้ ของกมพัฒนากรจรนี้ก็ให้ชาวบ้านก็มีรายได้เศรษฐกิจดีแต่ว่าไม่ได้เผื่อถึงเรื่องทางด้านจิตใจเท่าไหร่แต่ว่าอรตามาก็ก็อยู่กับรวมพ่อเป็นนักพัฒนา ก็ตั้งว่าอ่านี่เป็นกองกลางอะไรต่างๆเพื่อให้จาว่ามีสศรตกิตีเมกินมีอยู่กินก็แป่งอุปายเฉยๆแต่จุดมุ่นหมายก็ให้รักความทุกข์บันเทาความทุกข์นี่ก็โอ้ไม่เหมือนกัน พอจะเริ่มที่คอร่าทั้งก็ว่ า, าสร้างสหกรณ์บ้านเพื่อให้ชาวบ้านซื้อของถูกถกมากกว่าตลาดแต่ว่าที่งันก็ไม่ได้ ขายบุรีปไม่ได้ขายเหล้าไม่ได้ขายผรอนชิรถเป็นอากินโนมโตโ้ก็ไม่ขายแก <c oughs> ก็บอกว่าอันนี้ก็ทำรายชีวิตด้วยไม่ว่าเป็นเงินทอหลายได้ดีขึ้นหรือว่าอ่าสหกรณ์อ่าได้ แต่ว่าถ้าชีวิตอนชาวบ้านร่างกายจิตใจความทุกข์นี่ก็ไม่มีประโยชน์มันชดนุ่มไม้ไม้ใจให้ไรายได้มากให้ละความทุกข์ต่างกายต่างใจ อ, อนี่ก็ดีมากต่อมาก็ประตัดใจ แล้วก็นอกจากน้นก็ปักนักตันาท่านก็สนับสนุนกระแสธรรมชาติก็ไม่ได้ใช้ ย, ยาก่าแมลงไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีให้เป็นธรรมชาติธรรมชาติท่านก็บอกว่า นี่ก็ถ้าเป็นกาะแสเป็นทานสมัยไต่ยาฆ่าแามางมากมากๆต่ยาปุยเกมีมากมากก็อาจจะได้ได้รายได้บ้างแต่ว่านี่ก็ทาลายธรรมชาติฆ่าสัตว์มาก ก็เลยเอาเกษธรรมชาติเป็นหลักถ้ามีแมลงมากินผักบ้านก็ถือว่าเป็นธรรมบูรณเราอยู่ด้วยกันกับสัตว์ตั้งหลายไม่ได้เบียดเบียนกันอันนี้ก็ก็คิดว่าดี แล้วก็สนับสนุงเกษตรธรรมช า, าตาิาาเแสตรผสมผสานก็อยู่อย่างมีเป็นมิตรทำผักทั้งพือทั้งป่าทั้งสมุมภัยด้วยกันมาเลีนสัตว์อยู่ด้วยกัน อันนี้ก็เป็นธรรมชาติเหมือนกับว่าคนเราเหมือนกันทันผู้ใหญ่ทันคนจลาคนเด็กผู้สาวผู้หนุ่มก็อยู่ด้วยกันก็เป็นปกติเป็นธรรมชาติดีแต่งดมสมบูรณ์ก็คิดว่า น, นี่ก็ดีมากแน่นดัด ทำสองของพุทธศาสนามาใช้ในการพัฒนาแล้วก็ตังก็ถ้าจะว่านพอมีพอกินแล้วก็สอการภาวนาปฏิบัติธรรม เพื่อให้ละความทุกข์มีความสุขที่แท้จริง น, นี่ก็เป็นจุดมุ่งหมายเพื่อให้อพัฒนาสังคมก็จะมาก็ประตับใจแล้วก็โดยเฉพาะ โอกาสที่ได้มาเดินทางวัดปาสุกตัตโตเจอหลวงพ่อคำเขียนก็ได้เริ่มใส่สัตตามากที่สุดนั่งก็มีเมตตาใจกาุณาใจตอนแรกๆก็ถือตัมมาก็ได้ศึกษาในนันสือ เรื่มพัฒนกปัตนาได้รู้ว่าอารมณ์พอคำเขียนเป็นพัฒนกปัตนาจริงๆแล้วต่างกกเชเ่อเลือเจาว่างเป็นหมู่บ้านตามอกอยหวานแต่ก่อนนี่มีปังขามากเป็นคนจองคนทะเล ก, กันมีนยาเป็น อะไรรายอย่างแต่ว่าเปลี่ยนเป็นหมู่บ้านเป็นดินเป็นเป็นดินเป็นดินทมเป็นดิรรนดทองเพื่อให้อำนาจของธรรมะสอมไปสอมไปก็ประมาก็ประทับใจอยู่แล้วแต่ว่ามาพบแล้วก็ สัตตาจริงๆก็ต่านก็ก็เป็นปิเศษตานมันเป็นเอ่อูอสึกว่าเนตตากปัญญามากแล้วก็โอกาสที่เดียะตมาก็ได้บวช ก็นี่แหละได้พบกับการเจริญสติตอนแรกแก็ไม่รู้ปิติการแก้ปัญหาอย่างไรตอนที่อาตมาทำการทำการวิจัยก็คิดมากแล้วก็มีอารมณ์กรดมีความอยาก อยากได้นี่อยากได้นู่นก็คิตก็ไม่ได้สงบคิดก็ไม่ได้มีความสุขแค่ชั่อล่าวได้ซืขข้อของนี่ก็ได้ความสุขชั่กล่าวแต่ว่าเบื่อหน่ายไป แล้วก็อยากได้อยากได้ก็มันก็เป็นทุกข์แล้วก็คิดก็หื้นส้มไปเรื่องอดีตตามบอนเรื่องอนาคตคิดไม่ได้หยุดนิ่งหื้นส้มไปแต่ว่าที่นี้ก็สอม การิดสติให้อยู่กับปัจจุบันนี้ได้ไม่ว่าภายหุ่นซ้ำ ภ, ภ, ภ, ภไปนิดงเนินรู้ตัวกลับมามีความงึดงิดนิดห น, น่อยก็กลับมาได้ถ้าเราปล่อยแต่ก่อนนี้ก็ปลอยแล้วก็ความกรอดมั่หอ แล้วก็จองแวนหลายชั่วโมงหลายวันหลายอาทิตย์แต่ว่าถ้ามีสติก็เฉยเลือให้อยู่กลับมาแล้วแล้วให้รู้เท่ารู้ทันเราเข้าใจว่าไม้ต้นทุกมี เป็นเจ้าของชีวิตถ้าไม่ได้ปฏิบัติก็เป็นภาสของมันความคิดอยากได้นี่อยากได้นั้นก็ไปตามเดินแล้วก็อยากได้แต่ไม่ได้รับก็ มันถูกใจได้ดินได้ฟานความคำสอนอคำพท์จากเพื่อเออไม่ดีก็มังมีความกรดปันทีแต่ว่าให้รู้ก็รับฝานได้โดยเป็นปกติจิตใจไม่ได้ กระตบกกระเทือนก็เ ย, ยือยามเป็นธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาติทันนี้ก็ก็กนญี่ปุ่นนึกถืนแล้วก็มีกองก้าตัวตายกันหลายกน ีกหนึ่งก็สามหมึ่ห้าพังคนก็นับว่าเป็นวันหนึ่งนี่ร้อยคนนะก็กล้าตัวตายแต่ยิงกลาวว่าเป็นอัตรายก้าตัวตายเปรียบเทียบกับเมืองไทยนี่ก็ญี่ปุ่นนี้สี่เท่านะ คนตายกาตัวตายคนหนึ่งญี่ปุ่นนี่ก็สี่เท่าก็สี่คนแล้วก็เป็นคนเต็มประจาจงก็ญี่ปุ่นนี่มากกว่ามันตายตอนนี้ก็หนึ่งอ่าสอนสอนสางหนึ่งอะไรนะ ร้อยสามสิบล้านก่อนมันตายห้าห้าสิบคนห้าสิบล้านเนี่ยนะเขาสิบเออก็ประมาณต้นเท่ากว่นนะเาเนี่ยอ่าแต่กันก็คิดว่าคนตายนี่ก็คน่าตัวตายคน น, นี้คนนี้คนนี้ก็สิบคนได้วันหนึ่ง นอกจากก่าตัวตายแัย่งยานอยู่โรดก็ประมาณสิบเท่าถ้าวันหนึ่งก่าตัวตายร้อยคนก็รองก่าตัวตายก่อนวันหนึ่งกับเนึ้พังคนที่ญี่ปุ่นปัจจุบันนี้ตอนที่กำลัง อาตมากำลังพูก็จิดตกรินที่กำลังอเอาผูกคอบ้างหรือว่าดอดข า, าอะไรกันกินยาตายอะไรงั้นก็น่าสงสารจินจนแล้ว ก็มันเข้าใจผิดคนตีการตัวตายนี่เข้าใจผิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องร่างกายนะถ้าเรื่องร่างถ้าร่างกายตายนี่ก็จริงๆแกไม่ได้จริงๆมันเป็นทุก ทุกก็มาจากใจให้จบเรื่อน่างความคิดได้แล้วก็แก้ได้ทันทีไม่ต้องฆ่าร่างกายอาจจะให้จบเลื่อนอาให้จบเลื่อนทางใจได้ก็แก้ได้ทันที แต่ว่าไม่รู้จากวิธีการให้จบเรื่อนคิดคิดความคิดนี่เป็นภาษาในใจว่านี่ว่าอย่างงั้นไม่ดีไม่ดีดตัวเอมไม่ดีตัวนั้นไม่ดีอ้าตายดีกว่าตายดีกว่าก็มันก็ คำภาษาผู้ในใจไม่จบก็เลยมันทุกข์กรซานมากขึ้นเป็นเรื่องใหญ่จิตภาพก็น่ากลัวก็เป็นอย่างนั้นก็โชคดีเราก็ได้รู้จัก อนี่ก็เป็นไ ม, ไม่ใจแ็นสิ่งที่มีจริงเราสร้างขึ้นมาเองสิ่งที่สร้างขึ้นมานี่ก็จบหลอนด้วยตรงแอนได้ก็รู้อยู่ ว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เราก็มีวิปปิกับมีวิธีด้วยสรางสติเอากายนี่แหละเป็นดากรู้สึกตัวกลับมาแล้วก็หายเรื่องหายภาพอยู่กับความจริงเป็นธรรมชาติได้ยินเสียนนอกแมลง ไม่ได้อยู่ในฝันสร้างด้วยตรงแอนอยู่เป็นมีเพื่อนเอ็นการะยานมิตรก็ได้ความอบพึนใจกลับม า, าทันทีคนญี่ปุ่นที่เคยมาที่นี่ก็กลับพังคนได้แล้วอาตมาอยู่ที่สิบสี่ปีที่นี่ ก็คนที่เคยฆ่าตัวตายก็หลายคนแต่ว่า ม, มันไม่ตายนะก็มาอยู่ที่นี่ได้ก็เป็นคนที่เป็นไปหาหมอกินยาไม่หายก็มาได้ก็นี่แหละคนมาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็หายโดยไม่ต้องกินยาก็ได้ เพราะว่าเรื่องนี้ก็มันเรื่อนจิตใจเรารู้จักพิธีตูกต้อมแล้วก็ทานใจปฏิบัติตามความถูกต้อมนี้ก็แก่ได้นะครับก็คิดว่าานกจารกัตมาก็ทุกๆุกคนนั่นแหละอยู่ทิ่นี้ ไม่ได้เป็นสัมมาเป็นของตายเกิดที่เมืองไทยพุทธศาสนายังมีชีวิตชีวาอยู่ครูบาอาจารย์ที่สอนธรรมดีเป็นเป็นนาียทรัพเป็นศัอยางยิ่งเป็นคำสองของพระพุทธเจ้าอย่างตดิดตัว จากมันพบรุปของเรามาต่อสืบต่อมาแล้วก็ยันตอนนี้ก็มีการบินตบาก็มีกองทัป่าซ้านความดีผ่าสุณเจ้าก็สอนธรรมะให้แก่ญาติโยม ก็ช่วยกันช่วยกันสร้างความดีเป็นบรรยากาศที่ไกรมาก็ต้อนรับให้สนับสนุนให้ความอบอุ่นใจเป็นอยู่ด้วยการเต็มเพื่อนกัลยาณมิตรแม้ว่าเป็นสัตว์ตั้งร้ายใน ป่านี่ก็เป็นเรื่องการเป็นมิตรกันนี่แลเป็นที่เป็นสวรรค์จริงๆเราไม่ต้องสวรรค์หาสวรรค์อนาคตรหรือว่าหาสวรรค์หลังังจากตายก็ได้ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ที่นี่ก็เราก็ มีจิตใจเป็นดีเป็นกุศลอยู่กับกาลยานมิตรก็สร้างสวรรค์ในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้แต่ว่าชีวิตนี้ก็ยังไม่ได้สัมผัสพบกับธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นหลายกลยังหล่นในความทุกข์ อาจจะมีเพื่อนองเราหรือว่าเป็นครบครบ่ครบคือองเราอยู่คนที่อยู่ทำงานด้วยกันของเราขอให้พวกเราปฏิบัติแล้วก็ได้เข้าใจชีวิตแก่ปัญหาของตัวเองให้ไปก่อนแล้วก็ช่วยเผยแพ่ คนที่ยันหลนในความทุกข์ไม่ใจเขาไม่ดีก็ทุกข์นั่นแหละเขาไม่รู้ก็ทุกข์เป็นอดีจากความหลน่นถ้าเรารู้เขารู้ก็ได้เป็นปกติมีความสึกกับเราได้ด้วยกันก็ขาให้ผู้แปลได้ ด้วยการวาจาด้วยการากัดตั้ด้วยการจิตเมตตาการดุณาตัวซึ่งการะไรกันนะครับก็คิดว่าปอสมควรแกเวลาก็อัรมาก็จบผพ้เตลี่ยนแก่นี้ขอเจริญพรทุกท